หรือทางสายกลางตอน5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่12บุพาพาาของการศึกษาอย่างที่หนึ่งปรตโตโคสที่ดีเท่ากับกัลยาณมิตรบุพพ่าของการศึกษาหรือบุพนิมิตแห่งมัชิมาปฏิปทา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 มีข้อความในพระไตรปิฎกเช่นในอาสาวัคที่หนึ่งตัติยปันนาตอังคุตรนิกายทุกันิบาตแสดงหลักการสร้างเสริมสัมมาธิฏิไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาธิฏิมีสองประการดังนี้คือปารโตโคสะและโยนิโสมณสิการปัจจัยแห่งสั ม, มาธิฏิสองอย่างตามพุทธพจน์ที่ตรัสไปนี้คือหนึ่ง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 หมายถึงการรู้จักมองรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยมองตามที่สิ่งนั้นนั้นมันเป็นของมันและโดยพิธีคิดหาเหตุผลสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตันหาอุ ป, ปาทานของตนเข้าจับข้อสองนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน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 การมีกัญญานามิตรส่วนปัจจัยอย่างที่สองคือโยนิโสมนัสิการเป็นตัวหลักการใช้ปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไรเมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาประกอบกันนับว่ากัญยานามิตรตาเป็นองค์ประกอบภายนอกและโยนิโสมนัสิการเป็นองค์ประกอบภายในถ้าตรงข้ามจากนี้